ชีวิตของพวกเราเนี่ยเอาความแน่นอนไม่ได้เลยนะเนี่ยที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยคิดไหมว่าใครจะไปก่อนใครเจ็บงทีเราก็กลัวนู่นกลัวนี้แต่สิ่งที่เราควรกลัวควรกังวลจริงก็คือความตายนี่ยก็กลัวอะไรนี่กลัวจะไม่ได้เกิดในศาสนาของพระชินเจ้าเนี่ยอันนี้นี่น่ากลัวกลัวเยอะ ใจอักขระขนะที่ขณะที่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่เป็นสมัยที่ไม่ควรไปเกิดเกิดในสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเป็สุรกายพวกนี้นะไปเกิดอยู่ในอสันญาภพเกิดในรูปภพเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเกิดสมัยที่พุทธิย่าไม่อุบัติเกิดขึ้นนะอักขระพวกนี้อันตรายมาก ที่เราควรควรตั้งอัจฉยาสายัยขออย่าได้เกิดอักขนะแบบนั้นขนาดที่มันมันไม่ได้ขนาดเลยพวนี่พวกเรามาเกิดขนาดในสมัยที่พระเจ้ายังตัดสรู้พระธรรมของพระเจ้ายังมีอยู่เรายังได้กันแค่นี้เองอะ่ะมัวไปหากินหาทํามมากินแล้วโอ้โหจำไว้แล้วดูที่เนี่ยหกสิบปีต่ออีกหเกือบตายคาสอนหนังสือ กวจะเจอเพระธรรมูุทธเจ้าดูดีเนี่ยไปรับใช้ใครก็ไม่รู้รับใช้กิเลสก่จะเจอพระพุทธเจ้าแทบตายเลยดูดีไม่ดูดีเนี่ยกว่จะได้เจอเพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล่นถ้าเกือเจนสติปัญญาแทบไม่ดีแล้วถึงมาเจอพระพุทธเจ้า บางทีมันวิชากับจารณะเนี่ยมันต่างกันนะตรงนี้วิชาแปดจารณะสิบห้าไอตัววิชากับตัวจารณะต่างกันยังไงเดี๋ยวอธิบายฟังไหมไม่จะอธิบายฟังฟังไหเออวิชาจารณะว่าบางคนมีแต่วิชาบางคนมีแต่จารนะเนี่ยนะ นั่งเก้าอี้ได้ย่อธิบายคำว่าจรณะสิบห้ากับคำว่าวิชาและจรณะนี่ยนะ๋ยจะจำแนกให้ดูจำแนกสองส่วนนี้ก่อนที่จะจำแนกสองส่วนเนี่ยจะพูดถึงในเรื่องของ บุคคลจะมีความเห็นเนีน่ยนะมันจะมีคำว่าบุคคลสี่มีอะไรบ้างอุคติตันยูววปจิตตันยูในยะและป ธ, ธาปรมะอา้าวนี่เรามามาตรวจสอบกันดูเนี่ยนะว่าเราจะอยู่กลุ่มไหน ในบุคคลสี่จำพวกในบุคคลสี่จำพวกเนี่ยบุคคลใดเกิดในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่และสามารถบรรลุมรรคผลได้ด้วยการฟังธรรมอันใดอันหนึ่งที่พระเจ้าทรงตัดโดยย่อเพียงยกอุเทศขึ้นแสดงอุเทศคือยกแค่หัวข้อขึ้นแสดงแล้วทั้งตลอดอริยสัจจะได้บรรลุเป็นพระราชาอรหันเลยเนี่ย บุคคลประเภทนั้นก็เรียกว่าอุคติตันอยู่ไม่ต้องฟังพิสดานฟังหัวข้อแค่นี้เช่นอย่างภาษาริบุตรฟังยอ่อปึด๊ดเงี่ยบรรลุเลยเงี้ยอย่างเงี้ยนี่อุคติตันอยู่นะไม่ได้ท่านยากท่นานีาไม่ได้ฟังยอ่อนี่ก็เรียกฟังโดยพิสดานฟังเต็มสูตรอย่างเงี้ย เทวเมสุตังเองไอตเทวเมพิคเวอันตาปรไปจิเตนนนะเซุแตพายโยยังกาเมสุกรรมมาสุขานี้ไล่รายละเอียดขนาดเนี้ยจึงได้บรรลุเนี่ยอย่างนี้ขาเรียกวิปปจิตันยูต้องฟังแบบเต็มสูตรยาวๆเลยอย่างเงี้ยถ้าหากว่าอุคติตันยูนี่ฟังกี่บาทสี่บาทคาถาแค่น้บรรลุเลย เยธรรมาเหตุปปภาวเตสังเหตุุงตถาคโตอาหารเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวัติมหาสมโนฟัง น, นีงไม่รู้แล้แปรก็ไม่ไม่รู้อยแปรทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้ากล่าวถึงเหตุและความดับเหตุแห่งทำเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้ แค่เนี้ยบรรลุแล้วเนี่ยก็เรียกอุคติฟังแค่อุเทศถ้าวิปปจิตันญูก็คือแจกแจงโดยพิศดานสามารถบรรลุมรรคผลได้บุคคลที่ชื่อวิปปจิตันยูส่วนบุคคลที่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่แสดงโดยย่อรหรือโดยพิศดานก็ตามก็ยังไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้นีโดยไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้ต้องฟังมาก ต้องทรงจำไว้มากต้องสาวสอบถามปัญหานั้นๆมากๆจนแจมแจ้งแล้วก็ปารภความเพียรด้วยความเพียรอย่างยิ่งตลอด1วันหนึ่งเดือน1ปี7ปีหรือเพียรไปเรื่อยๆเนี่ยจึงจะสามารถบรรลุมรรคผลได้บุคคลประเภทนี้ชื่อว่านยยบุคคลนยบุคลฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีก แต่บรรลุได้ในชาตินั้นเนี่ยก็เรียกเนยยะบุคคล <c oughs> แล้วอยู่กลุ่มไหนหนึ่งสองสามอ้าวเดี๋ยวดูกลุ่ม 3, สามกลุ่มสี่ต่อระหนึ่งการที่เนยยะบุคคลเนี่ยสามารถปฏิบัติได้รวดเร็วและยาวนานนั้นเน่ยจึงได้บรรลุมากพอนั้นก็เพราะอะไรเพราะบรารมีที่อบรมมาเนี่ยแก่อ่อนและกิเลสหนากิเลสบางต่างๆกันเนี่ยมันต่างกันไหม บางคนปฏิบัติรวดเร็วแล้วก็ยาวนานจึงได้บรรลุมรคผลนะั้นหมายเอาระยะเวลาตั้งแต่เจ็ดวันจนถึงสาสิปีถึงห0สิปีมีพระเถระบางรูปเนี่ยหกเลยหกสิปีนะส0ิปีก็มีนะบุคคลที่จกสามารถบรรลุมรคผลในระยะเพียงเจ็วันก็หมายความว่าเขาได้เริ่มปฏิบัติในปฐมวัยเนี่ยนแต่ไวยต้นเลยเนะและทุติยวัยจนสามารถเป็นพระหานภายในเจ็ดวันนั้นได้ แต่ถ้าเขาเริ่มปฏิบัติในตตดยาะไว้ตั้งแต่ห้าสิบเป็นตเนี่ยก็เริ่มตัดยาะไว้ไว้ที่สามแล้วเนี่ ย, ยก็จะได้เพียงมรรคผลชั้นต่ําๆลงมาดังนั้นถ้าคนกลุ่มเนี้ยจริงๆบางคนเนี่ยเขาเป็นกลุ่มเนยญาน่ยถ้าเขาปฏิบัติแต่ปฐมวัยเนี่ยก็มีโอกาสอย่างเคยยกตัวอย่างเช่นเศรษฐีสองตาใหญ่สองตายหญ่ แต่ก่อนเป็นเศรษฐีใหญ่แล้วต่อมาประมาทแล้วก็ยากจนแล้วต่อมาเลยกลายเป็นขอทานแก่ตาบอดด้วยอยู่ในสลาพระพุทธพรมศาสดาเดินผ่านไปก็ชี้ดูเนี่ยปัดชิมพระวิกาษัตริย์ปัดชิมพระวิกรสัตว์อาจจะไม่ได้บรรลุ ก, ก็ได้เนี่ยเพราะเพราะมาประโยค้าวิบัติในปัจจุบันก็เลยชี้ดูเนี่ยสองสามีภรรยาเนี่ยถ้า ขอนขวายทางโลกณนะปัจจุบันในปฐมวัยนยะจะได้เป็นมหาเศรษฐีในเมืองนี้แต่ถ้าออกบวชข้นขวายประพฤติธปฏิบัตินะถ้าข้นขวายประพฤติธปฏิบัติในธรรมะของพระคินาเจ้าฟังธรรมรับพุทธปฏิบัติเนยะสามีจะได้เป็นพระอรหรันต์ภรรยาจะได้เป็นพระนาคาเสื่อมแล้วในปฐมวัยอา้าวทุตีอวัยทุตียวัยเนะ วัยกลางคนจนถึงห้าสิบยี่บห้าถึงห้าสิบถ้าขนขวายทางโลกสองสามีภรรยาจะได้เป็นมัชชิมะเศรษฐีในเมืองนี้ถ้าขนขวายในทางพระาศาสนาประพฤติปฏิบัติสามีจะได้เป็นผ้านาคาภรรยาจะได้เป็นพระสะกะทาค า, าถ้าปัตชิมะวัยตติยะวัยเนี่ยตั้งแต่ห้าสิบมานี่ยถ้าข้นขวายทางโลก ไม่จะเป็นจุลเศรษฐีในมึงถ้าถขวนขวายในทางพระศาสนาประพฤติปฏิบัติธรรมสามีจะเป็นสกะธทาคาภรรยาจะเป็นพระโสดาบันแต่สองสามีภรรยาเนี่ยเสื่อมทั้งสามวัยกลายเป็นคนขอทานเพราะความประมาทเพราะประโยคาวิบัติหากินเองไม่ได้ตาบอดจะขอข้าวเขากินเหมือนนกกระเรียนแก่ตาบอดหาจิกปากกินเองก็ไม่ได้ นี่เพื่เจ้าชี้เห็นนี่ความประมาทแท้น่ากลัวไหมพวกเราอยู่ในวัยไหนปฐมวัยทุติยวัยตติยวัยวัยไหนตติยวัยแล้วตั้งแต่ห้าสิบมานี่วัยกลางคนแล้วเออไวัยปลายสุดท้ายแล้วก็เรียกว่า ไม้ผัดสุดท้ายแล้ววิ่งกันเนี่ยการปฏิบัติเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีตามสขขงกรานแกอ่อน <c oughs> ทีนี้ถ้าหากเขาได้ภาคเพียนปารบความเพียนอย่างยิ่งแล้วแต่ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นในาศาสนานี้ได้เ <c oughs> มื่อเวียนว่ายตายเกิดจนได้พบเจอาศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปสามารถจะหลุดพ้นไปได้ แต่ถ้าพลาดโอกาสไม่ได้เกิดพบเจอพระเจ้าแล้วก็ไม่มีโอกาสหลุดพ้นได้เลยเียพวกเรานี่ย น, นะนี่พูดให้ดูถึงความเสี่ยงของพวกเรากันบุคคลที่ได้นิยตพยากรแล้วเท่านั้นจึงจะได้พบเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนเข้าใจคำว่านิยตพยากรณ์ไหคือพระเจ้าพยากรณ์ก็ไว้ว่าจะต้องเจอพระเจ้าองค์ต่อไปในบุคคลประเภทนี้จะได้เจอ พอพระพุทธเจ้าตรัสหนึ่งไม่มีสองแต่พวกเราเนี่ยใช้นิยตพยากรไหมและหลุดพ้นไปได้แน่นอนส่วนบุคคลที่ไม่ได้นิยตพยากรคือไม่ได้รับพยากรณอยู่พระพุทธเจ้านะถึงจะมีบรารมีอยู่ก็วางใจไม่ได้ว่าจะได้พบเจอพระพุทธเจ้าหรือเปล่าและจะหลุดพ้นไปได้เมื่อไหรนะ่นี่เป็นการจำแนกเนยบุคคลที่จะสามารถได้มรรคผลนิพพานนะภายในเจวันเป็นต้นในศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ และบัณฑิตท่านบอกว่าพึ่งเทียบเคียงบุคคลที่ปารบความเพียรหนึ่งเดือนเป็นต้นเนี่ตามในของบุคคลที่ปารบความเพียรเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนี่นะส่วนบุคคลที่เกิดมาได้พบเจอาศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วถึงจะภาคเพียรศึกษาลเล่าเรียนปฏิบัติตามอย่างไรก็ตามไม่สามารถบรรลุมาผลได้เลยได้แต่เพียง เป็นการสร้างเป็นวาสนาภากย่าเพื่อจะเป็นปัจจัยต่อการบรรลุในภพต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นเทวดาแล้วฟังธรรมบรรลุอาจจะเป็นมนุษย์ในภพต่อไปแล้วได้บรรลุเนี่ยบุคคลประเภทนี้ก็เรียกปะทะประมะไม่สามารถจะหลุดพ้นในชาตินี้ได้แต่หลังจากที่เขาตายไปเกิดเป็นมนุษย์หรือในเทวภูมิแล้วเนี่ยย่อมสามารถหลุดพ้นในาศาสนานี้นในภพต่อต่อไปเนี่ย นี่คือบุคคลสี่จำพวกนะทีนี้ถ้าเรามองนี้ราจะเห็นว่าโอ้อถ้าเราเป็นในยะบุคคลเนี่ยข้นขวายเต็มที่มีโอกาสแต่ถ้าข้นขวายจนเต็มที่เต็มศักยภาพเต็มความสามารถแล้วก็ไม่ได้บรรลุในาศาสนาพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี้ยอันนี้เป็นปะทะประมาแต่การกระทําเสียหายไหมสูญเสียไหมไม่สูญเสียเรามีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือเป็นเทวดาอีกก็มีโอกาสบรรลุได้ อันนี้เรื่องนี้น่าชื่นใจระดับหนึ่งนะฉะนั้นพวกเราถึงเวลานี้แล้วเนี่ยวันทุ่มเทในการศึกษาปฏิบัติคตามคำสอนพุทเจ้าเนี่ยใครคิดว่าทำได้ถึงแปดสิเปอร์เซนตจะทำให้ได้ถึงแปดสิบเอร์ซถึงไหมแปดสิบถึงไหมแปดสิบเอร์ซถ้าคารวาทำได้แปดสิบ 10% นี่ถือว่าโ อ, โอเคเลยนะใช่ไหมอ่าแต่นี้ในพระบาลีพระเจ้าได้แสดงอุปมาบุคคลสามจำพวกเหมือนกับคนป่วยสามจำพวกหนึ่งคนป่วยที่อาศัยยาดีถูกกับเวลาแล้วโรคก็จะหายสอง คนป่วยที่อาศัยยาดีอย่างไรก็ตามก็ไม่มีทางหายได้จกต้องตายแน่นอน 3. ามคนป่วยที่เว้นจากของแสลงอาศัยยาดีแล้วโรค ก, ก็จะหายได้และคนป่วยที่เว้นจากของแสลงอาศัยยาดีจกตายพร้อมกับโรคอย่างแน่นอนมีสามย้ำพว่วงอุปมาอุปไมยนี่นะ ผู้ที่ได้รับเนี่ยต่พยากรในพระเจ้าองค์ก่อนแล้วจึงสามารถหลุดพ้นในชาตินี้ได้อย่างแน่นอนเป็นประเภทเหมือนคนป่วยประเภทที่หนึ่งคนป่วยที่อาศัยยาดีถูกกับเวลาแล้วโรค ก, ก็หายส่วนปัทะประมาบุคคลเป็นเหมือนกับคนป่วยประเภทที่สองคือคนป่วยที่อาศัยยาดีอย่างไรก็ตามก็ไม่มีทางหายได้คือจะตายแน่นอนนั้นปัทะประมบุคคลเป็นเหมือนคนป่วยประเภทที่2 ที่เขาจะต้องภาคเพียนอย่างไรก็ตามก็จะไม่สามารถหลุดพ้นในชาตินี้ได้แต่สามารถจะหลุดพ้นได้ในศาสนานี้นในพบในภพต่อไปได้นะและในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็ได้เหมือนกันเหมือนใครดีเหมือนฉัตตามานพเหมือนปันดูกะเทพบุษเหมือนสัจกะนิครนปันดูกาเทพบุษเนี่ยคือเป็นกบ ตอนนั้นพระเจ้าแสดงธรรมอยู่บรรดูกายกบฟังพระเจ้าแสดงธรรมอยู่ไฟเสียงไปรอำมากขนาดกบตาใสาฟังตั้งใจเนี่ยนะเหมือนที่เราสวดธรรมจากกันมาสักครู่เนี่ยยิ่งหลีดตุกแกฟังเนี่ยถ้าเขาฟังด้วยความเคารพฟังด้วยความตั้งใจเขาได้อัธยาศัยแน่นอนถ้าเขาตายในขนาดนั้นเขาได้ดีนะกบตัวนี้ฟังพระสุรเสียงพระเจ้าฟั ง, ฟงด้วยความชื่นใจศรัทธาเกิดน เสียงเพราะมากเวลาพระเจ้าแสดงธรรมใช่ไหมพวกเราแสดงเวลาพวกเราสวดนี่ไม่ค่อยเพร้อเท่าไหร่พยายามสวดให้พร้อหน่อยให้คนอื่นได้แต่ยาใสบ้างฟังท่านก็ฟังฟังฟังฟังฟังตอนนั้นเนี่ยคนเลี้ยงวัวถือไม่เท้าเดินเดินเดินมาไม่เห็นคือเอาไม่เท้าค้ำดินเดินไปเรื่อยไงพระเจ้าแสดงธรรมตอนนั้นอยู่ปึ๊กเข่าหัวกบพอดีเลย ตายทันทีเลยกบตัวนั้นตายใ น, นขระดาษฟังปุ๊บไปเกิดเป็นเทวดาเอ๊ะเรามานี่ได้ยังไงเราลึกได้เอ้าเราเป็นกบฟังผัสโสเสียงรีบลงมาฟังทำต่อได้บรรลุเลยเนี่ยบรรลุไปแล้วนี่ปัญญากาเทพบุตรกบยังได้ดีเลย <laughs> กบยังได้ดีแล้วนี่คืออหตุกขาบุคคลนะ งั้นพวกเราได้ดีแน่นอนไหมเนี่ยมั่นใจไหมเริ่มมั่นใจแล้วนี่พูดได้ได้หล่อเลี้ยงจิตใจนะแต่แต่กบไม่นั่งหลับนะไม่นั่งหลับนั่งเผลินนะตั้งใจฟังแล้วไม่มัวเล่นอย่างอื่นยังไม่มัวเล่นอะไรด้วยนะตั้งใจฟังจริงๆนะอ๋ออันนี้แก้ไขแก้ข่าวอยู่อ๋อ มันดูกาหแปลว่ากบเทพประวุธที่มาจะกกบนี่แหละแต่ก่อนเป็นสัติราฉานแม่งได้มั่นใจไหมขนาดกบยังได้ดีอ่ะมั่นใจไหมมั่นใจพวกอย่างนี้น่าเชื่นใจไหมเดี๋ยวเล่าเรื่องสัจการนิคนนิดนึง เดี๋ยวจะมีเวลาจะอธิบายเรื่องจูรสัสสัจการสูตรกับมหาสัจการสูตรจูรัสสัจการสูตรมหาสัจการสูตรในสองสูตรเนี่ยสัจการนิครณเนี่ยเข้าไปสนทนาพระเจ้าสองสูตรเนี่ยไม่เคยประกาศตนเองถึงสรารนคมเลยนะแต่นิมนต์พระเจ้าไปฉันในที่อยู่ของตนเองแล้วก็ไม่ได้เอาอาหารด้วยสั่งให้พวกไอ้เจ้าลฤาวี หาอาหารมาห้าร้อยสำรับมาให้ฉันฉันจะถวายพระเจ้าเนี่ยอันนี้สงเนี่ยเห็นไหมว่าราจการนิคนมีปัญญาขนาดนั้นแต่เป็นปัทะปรามาบุคคลเห็นไ้มคำว่าปัทะปรามาเนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มไม่ฉลาดแต่มีปัญญาเฉโกมันคิดไปทุกเรื่องคิดมุมนั้นมุมนี้ได้ออกวันก่อนใคร โทรมาถามอ๋อท่านลุดถามเรื่องปัถาประมะบุคคลเออท่านบอกว่ามีใครมาบรรยายว่าปัถาป ร, ะะปรมาบุคคลเนี่ยว่าเป็นคนที่ทรงจําอะไรได้แลนะ้วอาก็บอกว่าได้บอกว่าไม่ใช่ไม่ฉลาดนะฉลาดมากนะแต่เป็นบุคคลที่ ตัณหามานะเทศทีิวิววิิจิตมากอย่างเช่นวัสการาพามเนี่ยฉลาดมากเป็นอมาตย์ที่ฉลาดมากในเรื่องการลบเก่งมากไปเฝ้าพระเจ้าแต่ละครั้งเนี่ยพระเจ้าแสดงเรื่องสามคัคคีแต่โดยยังคิดเรื่องการแตกแยกคิดอีกมุมหนึง่งเพืเ่อจะสามารถคิดต่างได้หาแง่มุมใดใดไปหาคิดต่างตลอด เป็นคนที่ฟังอะไรแล้วเนี่ยจับประเด็นได้นิดเดียวแล้วก็ไปคิดต่อไปอีกทางหนึ่งอีกมุมหนึ่งคือใจไม่น้อมไปตามธรรมใจไม่ค่อยโน้มเอียงไปไงนะคิดจุดค้านได้เยอะแยะหมดเหมือนสัจการนี่คนเนี่ยเห็นชัดเลยฟังธรรมจนยอมจำนนพุธธรรรทธเจ้าทุกอย่างแล้วจนแพ้ราบเลยนะแล้ว เ, ลเวลาสนทนาต่อไปเรื่อยๆไปเสร็จว่าทราบข่าวว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยยังนอนกลางวันอยู่หรือสมณะพระาหมงพวกเขาบอกคนนอนกลางวันชื่อว่าคนหลงนะวะ เ, เนี่ยดูดูดูแย้งพระเจ้าโตเงี้ยคือกําลังคุยกันดีๆคุยธรรมะอีกเรื่องหนึ่งเลยนะแล้วหักมุมถามหักมุมยิงถามพระพุทธเจ้าวะทราบว่าพระพุทธเจ้ายังพักขอนกลางวันอยู่แต่คนพักขอนกลางวันชื่อว่าเป็นผู้หลงพระพุทเจ้าบอกว่าคนไม่ได้หลงด้วยการพัก่อน จะเป็นเล่นับว่าเป็นการหลงไปเลแต่ราคาโทสะโมหะที่ยังอยู่ในใจต่างหากนั่นเป็นความหลงเป็นต้นพอฟังนี้เปเสร็จพุฟังคําตอบนิดเดียวก็กราบลากลับเลยอย่างเงี้ยนั้นกรณีอย่างเงี้ยสัจกาติคนเนี่ยจึงเป็นปธาประมะและต่อมาพุทธเจ้าเห็นประโยชน์อะไรเห็นประโยชน์ว่าอีกสองร้อปีกว่าๆข้างหน้าสัจกาติคนจะไปเกิดอยู่ในลังกาทวีป แล้วต่อมาจะออกบวชจากการที่จะศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากแล้วจะจะฉลาดในพุทธคุณจะทําศาสนาพระชินเจ้าให้เจริญว่างามในในเกาะนี้แล้วจริงๆด้วยเนี่ยต่อมาท่านก็ไปเกิดเป็นภิกษุได้บวชตั้งแต่เล็กและได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์ชื่อว่ากาลพุทธรักิตะท่านมีร่างกายที่ดําแต่ฉลาดมากแสดงพุทธคุณในคถาตั้งแต่หกโมงเย็นถึงหกโมงเ้า โดยไม่หยุดเลยภาลนาคุณของพระพุทธเจ้าได้ป๊อปป๊อป ป, ป, ปเล่นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยศรัทธา ย, ยกเกาะลังกาถวายเป็นพุทธบูธชาเลขนาดนั้นเนี่ยเห็นว่าราจการนี่คนก็เป็นกลุ่มปะทะปรมะเห็นไหมไม่ใช่คนโง่นะคำว่าปะทภปรมะเนี่ยไม่ใช่โง่เนี่ยแต่ว่าเป็นคนที่จิตใจที่ไม่มั่นคงไม่น้อมไปในพระธรรม จะหลุดพ้นในาศาสนาในพุทธิยถาองค์ต่อไปนะส่วนเนยญาบุคคลเหมือนคนป่วยประเภทที่สามเนยาบุคคลเนะ่ะเหมือนคนป่วยประเภทที่สามที่เนื่องด้วยทางสองสายก็คือหลุดพ้นและไม่หลุดพน้นเหมือนกับคนป่วยที่เนื่องด้วยทางก็คือหายจากโรคแล้วก็ตายพร้อมกับโรคนันเนยาบุคคลเนะี่ยบางกลุ่มก็บรรลุบางกลุ่มก็ไม่ได้บรรลุ บุคคลประเภทนี้เมื่อเขาเติบโตแล้วก็เวน้นจะสิ่งที่ควรเวน้นไปอาศัยในสำนักของอาจารย์ที่เป็นกัลยาณมิตรได้ฟังธรรมะที่เหมาะสมกับตนแล้วสามารถจะเพียรประพฤติปฏิบัติแล้วก็หลุดพ้นได้แต่ต้องมีกัลยาณมิตรนะเป็นตัวกระตุ้นเตือนค่อนข้างชัดทีนี้เหตุที่ที่ระ ย, ะยกตัวอย่างแล้วนะที่ไม่ได้หลุดพ้นเนี่ย บุคคลที่ติดแน่นอยู่ในมิจฉาทิฏฐิอย่างเหนียวแน่นเนี่ยไม่สามารถจะหลุดพ้นได้ผู้ที่ไม่สามารถหลุดพ้นจกากกรรมคุณห้ามันมีสองกว่าหนึ่งนะหนึ่งติดแน่นในมิจฉาทิฏฐิออกจากมิจฉาทิฏฐิไม่ได้เหมือนติดยาเสพติดกลุ่มนี้ก็หลุดพ้นไปได้ทั้งทั้งนี้มีปัญญามากสองบุคคลที่มีหมกมุ่นในกรมคุณแลนะจิต วันๆก็คิดแต่เรื่องการมาคุณคือจิตออกจากการมมาคุณไม่ได้คือกิเลส ท, ทั้งด้านในตัณหาในมีกําลังจัดทั้งๆที่ฉลาดนี่แหละไปๆมานิดหน่อยก็หมกมุ่นในกามกมองออกใช่ไหมในกลุ่มประเภทที่หมกมุ่นในกามาคุณนี่ก็หลุดพ้นไม่ได้ผู้ที่อยู่กับอาจารย์ดีแต่เป็นคนเกียจค้านก็หลุดพ้นไม่ได้สามเลยนะ อยากปรารถนาความเพียรให้เต็มที่แต่เพราะอายุมากคือจะเล่งไงแต่มาเล่งตอนแก่และป่วยนี่ก็หลุดพ้นไม่ได้มองไปทางไหนดีเนี่ยือไม่ไหวอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ายังหนุ่มแน่นแต่โรครุมเลา้า มัวจะเป็นรักษารักษาอยู่นั่นนี่หลุดพ้นไม่ได้พระเจ้าชาติศัตรูเศรษฐีบุตรพระสุทินเนี่ยล้วนเป็นผู้สามารถบรรลุในชาตินี้แต่จมอยู่ในสังสารวัฏอีกสองสอสงไข่เนี่ยแล้วจะได้เป็นพระประเจพรพุทธเจ้าเนี่ยพระสุทินพระเจ้าชาติศัตรูแล้วก็ใครคนเนี่ยเศรษฐีบุตร แต่ที่บุตรีเราไปเมื่อสักครู่นี้พอจะพอจะมองเห็นนะเอาตอนนี้ความเห็นของคนในสมัยเนี้ยเขาเห็นยังไงเขาเห็นว่าถ้าบา ร, รมีแก่ก้าแล้วจะต้องได้พบเจอกับาศาสนาพทธเจ้าอย่างแน่นอน เมื่อพบพระพุทธศาสนาแล้วถึงจะไม่อยากหลุดพ้นก็ต้องหลุดพ้นแน่นอนความเห็นอย่างนี้ผิดหรือถูกเขาบอกว่าถ้าบารมีแก่กล้าแล้วก็ต้องเจอศาสนาพุทธเจ้าแน่นอนเมื่อเจอศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วถึงไม่อยากหลุดพ้นก็ต้องหลุดพ้นความเห็นนี้ผิดหรือถูกผิดตรงไหน คือตรงเนี้ยเขาไม่เข้าใจคำวมนี้ต่าอันี้ต่างถ้าเขาได้รับพุทธบุตกรก้นก้อนนี่อีกอย่างหนึ่งนะอย่างเหมือนเศรษฐีบุตรทียกตัวอย่างมานี่ไม่ได้เลยทั้งทั้งที่บา ร, รมีแก่กล้าสามารถจะบรรลุได้แต่ประโยคข้ามผิดประกอบผิดเพี้ยนผิดเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้นฉั้นความเข้าใจคนยุคนี้การเข้าใจแบบเนี้ผิด ในบุคคลสี่จำพวกอุคติตัญญูวิปจิตตัญยูบุคคลสามารถอย่างโสดาปัิมรักเป็นต้นเนี่ยให้เกิดขึ้นได้เพียงฟังธรรมเทศนาเนี่ยเหมือนกับท่านวิสาขาบาราศกอนาถาพิณิกาเสถียรกลุ่มพวกเนี้ยนะเออกลุ่มพวกเนี้ยไม่ต้องเจริญธรรมะส่วนเบื้องต้นตั้งแต่ที่แรกศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิที่ฟังธรรมแล้วได้เดี๋ยวนั้นเลยเขาสามารถเจริญในเดี๋ยวนั้นได้เลยอะกลุ่มพวกเนี้ย เนี่ยกลุ่มนี้คืออดีตเหตุแข็งแรงดีแต่ปัจจุบันคน้นขนขวายด้วยนะไม่ใช่ไม่ขนขวายอาตานี้ดูเขตก่อนออศาสนาของพระพุทธเจ้าในห้าพันปีเป็นเขตของภรริยาเจ้าภายในห้าพันปีเนี่ยแปลว่าสามารถประพฤติปฏิบัติเป็นภรริยาได้ต้องเข้าใจเงี้ยนะ้าพันปีในยุคนี้ นี่เป็นการวัดกําลังกันเลยเนี่ ย, ยตราบใดยังมีพระไตรปิดกอยู่พึงจําไว้ว่ายังเป็นอริยเขตอยู่นั่นเองคือยังมีการกล่าวถูกต้องตามพระตรปิดกอันนั้นมีนเขตอ ร, ริยเจ้าปัทถาปรมบุคคลย่อมมีโอกาสสั่งสมบารมีที่เป็นวาสนาภาเกยะตามกําลังของตนในการที่จะเกิดพบเจอพุทธศาสนาพุทธเจ้าในสมัยนี้ได้ทันได้ด้วย สมมติเราเป็นปททะารมบุคคลนะเร่นคนขวายเต็มที่เลยนะเรามีโอกาสกลับมาเจอใหม่เจอพุทธศาสนาใหม่มาอย่างคนยิ่งใหญ่มาอย่างคนชานฉลาดมาในฐานะเป็นเทวดาหรือมนุษย์เนี่ยแล้วศึกษาแล้วบรรลุได้ทันย่อมมีโอกาสจะสั่งสมศีลเมื่อว่าจะศีลห้าอา ว, าอาวาอาอาชีว์อาวะไออาชวะธรรมกศีลก็ดีศีลแปดศีลนิบูรสวศีลสิบศีลของภิกษุเนี่ยได้หมด สมาธิก็สามารถที่จะมาบ่มบริกรรมสมาธิอุปจาระสมาธิอัปมาสมาธิเกิดขึ้นได้กรรมฐานสี่สิบยังมีให้ศึกษาอยู่และปัญญาก็สามารถจะพิจารณาแยกรูปนามขันห้นาอายะชนะธาตุสัจจะปฏิจจสมบัติเนี่ยเพ่งดูจนสามารถเห็นความจริงแล้วก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์คืออันนี้จังทุกขังหน้าตาบรรลุด้เนี่ยสามารถได้ดังนั้นพวกเราเนี่ยมีโอกาสมากแต่เพียงว่าเราจะค้นขวายหรือเปล่าแค่นั้นเลย อยู esto, ser, es za, al a, ่ที่ข้นขวายไหมถ้าค้นขวายไม่ถูกแต่คบปาปมิตรเรียบร้อยเรียบร้อยเลยมันจะไม่คือสั่งสมสุตตะเนี่ยสาคัญที่สุดต้องสั่งสมให้ถูกแล้วฝึกเจริญจริงจิเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้ได้อัธยาศัยให้ได้ถึงจะเป็นประทับปรมะไม่เป็นไรฝึกไปเลยเพราะเป็นอริยเขตใช่ไหมตายแล้วมาเกิดใหม่เอาใหม่ เอาอรอบหนึ่งก็ได้เอามนุษย์อีกทุกรอบก็ได้ถ้าต้องการนะต้องการไหมแต่ว่าอาจจะอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่นะแต่ขอให้พุทธศาสนาอยู่ตรงนั้นขอให้เกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาเดี๋ยวจะบอกวิธีการว่าเออจารณะดีกับวิชาดีจารณะดีมันต่างกันยังไงเนะี่ยกล่าวว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวต้องรีไปให้ถึงตรงนี้ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะแยกไม่ออกทีนี้ ในศีลสมาธิปัญญานี่เป็นมูลเป็นพื ช, เ ป, พชเป็นพืชแห่งมรรคผลศีลและสมาธิปรากฏอยู่ตลอดเวลานะศีลและสมาธิเนี่ยจะมีปรากฏอยู่ตลอดเวลาแม้ในศูญย์ยากับกับที่ไม่มีพระเจ้าก็จะมีสอนกันอยู่ตลอดเรื่องศีลเรื่องสมาธิแต่ปัญญาเนี่ยจะมีในการที่มีพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเท่านั้นแล้ต้องเข้าใจตรงนี้นะนั้นในด้านศีลด้านสมาธิในส่วนของจรณะเนี่ยจะมีสอนกันอยู่ตลอด อย่า ก, กลัวอย่า ก, กลัวว่าจะไม่ได้เรื่องศีลเรืองสมาธิเพราะเหตุนั้นบุคคลที่เกิดมาพบเจอพุทธศาสนาในสมัยเนี้เมื่อต้องการจะบำเพ็ญสัมภาระแห่งมรคยาและผลรยานเพื่อโดดพ้นในยุคของพระเจ้าองค์ต่อไปหรือองค์ปัจจุบันเนี่ยควรจะศึกษาเก็บเกี่ยวเอาปัญญาที่ได้โดยยากกว่าศีลสมาธิสองอย่างนั้นให้ได้ Αι, ต้องเอาให้ได้นะเพราะปัญญาเนี่ยําคัญที่สุดเพราะปัญญาเนี่ยจะมีในการที่พุทธศาสนาบัตรเกิดขึ้นทัานั้นจบประเด็นให้ได้ปัญญาที่เกิดได้โดยยากในะการเจอพุทธศาสนาของพรพุทธเจ้าแม้เพียงพบเดียวก็เป็นสิ่งที่ยากแล้วยากแล้วเพราะฉะนั้นจึงต้องเพียรพยายามเรียนศึกษาฝึกฝนนะ เพราะการที่เราจะมาศึกษาเรื่องรูปเรื่องน้ำเรื่องขันห้านะแล้วต้องเจาะลักษณะลักษณะปัจจุบันฐานปทัฐานเนี่ยของรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขั น, น, น, นให้ได้เพราะอันนี้เป็นเรื่องปัญญาล้วนเรื่องปัญญาล้วนลักษณะของรูปเป็นอย่างไรดินน้ำไฟลมเป็นต้นเป็นอย่างไรลักษณะของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างไรหน้าตาก็เป็นยังไง ลักษณะของรูปมีดินน้ำไปลมเป็นต้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเป็นต้นเนี่ยกิจของเขาเนี่ยเขาทำกิจยังไงของเขาต้องรู้ลักษณะไออาการปรากฏผลปรากฏกันของรูปคือดินน้ำไปลมและเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยอาการที่ผลปรากฏเกิดขึ้นเป็นยังไงและสุดท้ายคืออะไรเป็นเหตุใกล้ของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญา VEN. ที่จะเป็นเหตุให้สภาวธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นให้เรียนรู้พวกนี้ให้มากอันนี้คือปัญญาในพุทศาสนานี้ซึ่งในศาสนาอื่นไม่มีถ้าไม่มีพุทธศาสนาวัติเกิดขึ้นเราจะไม่รู้ลักษณะเฉพาะตัวของรูปธรรมและนามธรรมก็ใจ่นะเช่นลักษณะของสติเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงศรัทธาเป็นยังไงเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยต้องต้องไปเรียนรู้พวกนี้ให้ชัดเรามีโอกาสเกิดมาเจอพุทธศาสนาแล้วเนี่ยต้องเรียนพวกนี้ จะได้เมร็ดพันธุ์แห่งปัญญาที่ได้แสนยากที่สุดเมล็ดพันธุ์ของปัญญาที่ได้ยากแสนยากที่สุดอย่างอื่นเอาไว้ก่อนเรียนเร็วพวกนี้ให้ชัดนะเดี๋ยวไม่ทันไม่ทันแล้วตายก่อนยุ่งได้ยากมากเป็นเมี้ยากมากอาตอนนี้จะจำแนกในส่วนของวิชากับคำว่าจรณนะ เป็นคุณสมบัติของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่พวกเราต้องได้ถ้าเราไม่ได้วิชาและเจรณะเนี่ยหลุดพ้นได้ไหมหลุดพ้นไม่ได้เจรณะมีสองอย่างศีลและสมาธินะอันนั้นคือเจรณะส่วนวิชาหรือปัญญานั่นเองวิชาเป็นเหมือนอะไรวิชาเป็นเหมือนดวงตาของคนและสัตว์วิชาหรือปัญญาเป็นเหมือนดวงตาของคนและสัตว์เจรณะเป็นเหมือนมือและเท้าของคนและสัตว์ จรณะนี่นะศีลกับสมาธิเป็นต้นอะเนี่ยวิชาเป็นเหมือนดวงตาเหมือนอะไรวิชาเป็นเหมือนดวงตาของนกผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลและสมาธิแต่บกพร่องวิชาเป็นเหมือนกับผู้ที่สมบูรณ์ด้วยมือและเท้าแต่บกพร่องตาทั้งสองข้างบกพร่องตาทั้งสองข้างผู้ถือสมบูรณ์ด้วยวิชาแต่บกพร่องเจรณะเป็นเหมือนกับบุคคลที่มีตาดีแต่อวัยวะมือและเท้าบกพร่อง ผู้ที่สมบูรณ์ทั้งวิชาและเจรณาทั้งสองเป็นเหมือนคนปกติธรรมดาที่สมบูรณ์ทั้งจักรสูและอวัยวะทั้งหมดส่วนผู้ที่บกพร่องทั้งวิชาและเจรณานะั้นเป็นเหมือนกับบุคคลผู้บกพร่องอวัยวะมือหรือเท้าหรือดวงตาก็บอดบุคคลนั้นน่ยไม่ต้องเรียกว่าคนก็ได้ไม่ต้องเรียกว่ามนุษย์ก็ได้เพราะทั้งตาและอวัยวะบกพร่องหมดฉะนั้นวิ ช, ชา จรวิชาเหมือนดวงตาจารณะเหมือนมือเหมือนเท้าอาว้ว่าที่สมบูรณ์บางคนจารณะดีใช่ไหมดวงตาคือปัญญาไม่ดีบางคนวิชาดีแต่จารณะคือไม่ดีบกพ้องแล้วจะบอกบอกพ้องอยังไงโทษแห่งการสมบูรณ์ ด้วยจรณะคุณแต่บกพร่องวิชาคุณเป็นยังไงเนี่ยผู้ที่ติดค้างอยู่ในพราศาสนานี้พวกเราติดค้างไหมติดค้างเนี่ยติดค้างที่ยังไม่บรรลุนี่ mm hmm. ก็เรื่กติดค้างอยู่ mm hmm. ก็คือผู้ที่ถึงพร้อมด้วยจรณะคือศีลสมาธิแต่ไม่มีวิชาที่เป็นมนุษย์กับเขาเนี่ยที่สมบูรณ์หลายๆอย่างเนี่ยนะวิจรณะดีทีนี้ สมาธิแต่แต่ไ ม, ม่คือความฉเฉลียวฉลาดในรูปนามขันห้าไม่มีปัญญายาณที่จะไปเจาะเรื่องรูปประธานนามธรรมรูปเวทนาสัญญาสังขารที่จะไปรู้รายละเอียดเนี่ยไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีวิชาตรงนี้แล้วขาดดวงตาตรงนี้เมื่อเขาเกิดมาพบเจอศาสนาพองพุทธเจ้าแล้วเพราะความที่ตนเองมีจรณธรรมดีแต่เพราะยังไม่มีวิชาเนี่ยถึงจะได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้าแล้วเราเล่า ก็ไม่สามารถให้แสงแห่งสัจยาณเนี่ยคือยานปัญญาที่ไปเห็นสัจจะทั้งสี่เนี่ย mm. เกิดขึ้นได้เหมือนใครสมัยครั้งพุทธการก็คือพระโลลุทายีพระอุปนน์พระฉะพะัพพคีแล้วก็พระเจ้าประเซนท่โกสลในกลุ่มนีจารณะดีแต่วิชาไม่มีไม่สั่งสมวิชาในปัจจุบันเด้อ มองเห็นไหมไม่ได้บรรลุเลยท่านเหล่านี้ยอยู่ร่วมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดชีวิตเลยเพราะความที่ตนสมบูรณ์ด้วยจรณะคือทานกุศลและศีลกุศลได้พบก่อนดีมากไม่ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเลยะแต่วิ ช, ชาไม่ได้สั่งสมมาและปัจจุบันก็ประกอบไม่ประกอบความเพียรในการค้นขวายวิ ช, ชาเนี่ยนะ เมื่อได้ฟังธรรมจากพะพุทธเจ้าแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่สามารถบรรลุได้เพราะไม่มีวิชาคือพืชพันธ์แห่งปัญญาไม่ได้สั่งสมไว้ไม่ได้สั่งสมปัจจุบันด้วยนะมัวแต่ทากิจธุระอย่างอื่นมัวแต่ติดภารกิจ <c oughs> ยิ้มอะไรฟังเข้าใจไหมเนี่ยมัวแต่ติดภารกิจจะต้องไปขายของจะต้องอะไรแย่ยไปหมดเนี่ย ทำกิจกรรมอย่างอื่นเยอะหมดเพราะทั้งๆที่วิทย์เอจารณะตนเองดีแล้วทานกุศลศีลกุศลมาดีมากพืชแต่ไม่ได้เพาะพืช พ, พันธุ์แห่งปัญญาก็าไว้ในศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเวลาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับดีดพินให้นกฟัง <laughs> นกจะรู้เรื่องไหม พูดแบบเบาๆนะเด็ดพินเนยนกเด็ดไม่รู้เร like ื่องเด็ดพินนั้นท่านพูดเองจะไม่ได้พูดเด็ดพินยังพ่อดีกว่าไหยเขาใช้ภาษาเป็นเด็ดพินเด็ดพินให้นกฟังไพเราะมากกับฟังมันทุกวันไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เรื่องฉะนั้นสําคัญไหมการพร้อ ม, มเมร็ดพันธุ์แห่งปัญญานีผู้ที่ที่สมบูรณ์ด้วยจรณะแต่วิ ช, ชาไม่สั่งสมต่อไปควรสั่งสมวิ ช, ชาไหมนี่กําลังตอนนี้เรากําลังสั่งสมอะไรกันอยู่วิ ช, ชาจารณะสัมปโน <c oughs> ถึงพร้อมเดี๋ยวิ ช, ชาและจรณะสวดกันจังเลยนี่ย น, นั้นไม่มีวิ ช, ชานี่ลําบากก็เหมือนกับ ไม่มีดวงตาแต่ อ, อวัยวะสมบูรณ์เดินไปทั่วก็ <c oughs> เดินปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ตอนนี้ได้ตายยังเริ่มได้ยังเริ่มได้แล้วใอย่าลืมใส่ ย, ยาหยดตาทุกวนะันคือบางท่านเนี่ยเป็นผู้ที่สั่งสมบูรณ์ด้วยวิชาด้วยการฝึกฝนญาณนะ ในการวิจัยรูปประคันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาดีมากเรียนมาดีมากศึกษามาดีมากทั้งในอดีตและปัจจุบันก็ข้นขวาย่าง่งติดต่อและต่อเนื่องแต่จรณธรรมคือทานเอวนิจสีนเลยโวหพศินน้อยผู้นั้นน่ะเพราะความที่ตนน่ะมีวิชาคุ้นอยูอ่แต่ไม่มีโอกาสฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ่ไม่มีโอกาสแต่ถ้าไม่มีโอกาสฟังธรรมก็จบเหมือนกันนะ แต่ถ้ามีแหละถ้ามีโอกาสฟังธรรมที่พระเจ้าได้แสดงปุ๊บเนี่ยย่อมสามารถยังแสงย่งสัจญาณให้เกิดขึ้นได้แต่ความที่ตนเองมีจรณธรรมมน้อยโอกาสที่จะมาฟังธรรมโอกาสที่จะมาพบเจอพระเจ้าเนี่ยองต่อไปมันยากเลยตร น, นี้ยากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนเองเนี่ยทานก็ไม่ได สั่งสมศีลก็ไม่ได้สั่งสมแต่เคยสั่งสมปัญญามาเนี่ยโอกาสไม่แทบไม่มีเล ย, ยเนี๋ยวนหรืออย่างมาในปัจจุบันนพบเนี่ยปัญญานั้นไปเกิดจนสุดๆเลยเนี่ยเอาอย่างอดามาเนี่เนีเอาอย่างอย่างเช่นเกือบตายเลยหาทรัพย์เกือบตายเลยเนี่ย เ, อ ย, เ, ยเยอย่างเงี้ยมัวแต่ท่มชีวิต หาทรัพย์หาทรัพย์หาทรัพย์สมมุตินี่ยไอ้ น, นี่ปัญญาที่สั่งสมมาไหมมันก็มีจํากัดนี่ดันไปแก่เกินไปสมมุติกว่าจะไปเจอพระเจ้านแก่ซะแล้วหมดไหมทั้งทั้งที่วิชาสั่งสมมาดีนี่แหละไม่ทันเจอพระเจ้าสมม่วนนี่เห็นไหมเนี่ยไอ้พวกที่บกพร่องทั้งเจริญนะก็ไม่ค่อยปลอดภัยเออเดี๋ยวจำํำ มีสุปาพุท ธ, ธากุฏิเคยได้ยินไหมสุปาพุท ธ, ธากุฏิเนี่ยนี่เพิ่งนึกออกเป็นโรคเรื้อนเป็นขอทานไปอยู่ซอยไหนเนี่ยในซอยนั้นน่ะเขาจะต้องขับไล่ออกนอนกันไม่ได้ร้องค้องเลยเรื้อนกินขี้เรื้อนกินร้องร้องร้องเขาไม่ได้หลับกันเลยมดหัวซอยท้ายซอย ขนาดนั้นเลยนะนนี่จารณะจารณะเนี่ยไม่ได้สั่งสมมาทานศีลแต่ปัญญาสั่งสมมาวิชาได้จารณะเสียแต่วิชาเป็นคนเหมือนไม่ได้เป็นคนกับเขานี่ระวังกันดีในวันที่พระเจ้าจะแสดงธรรมเนี่ยคนประชาชนมากันเยอะหมดเนี่ยจนนี้ก็จะไปอะไรรู้ไหมจะไปหาขอเขาเห็นคนเยอะที่ไหนจะต้องไปคอยขอเขาแต่เนี้ยพระพเจ้าก็คอยเจ้าเนี้ย คอไอ้เจ้าโลกเลือนเนี่ยกระเสือกกระสนกระเสือกกระสนไปพุทธเจ้าพอฉันเสร็จพุทธเจ้าก็นั่งเฉยอยู่นั่นแหละรอคนมีบุญรอคนมีวิ ช, ชารอมาแล้วตัวเป็นสะเกดเ็ดเต็มไปหมดพอมาแล้วพุทธเจ้าแย้มพระโอรสพุทธเจ้าแสดงธรรมได้บรรลุเลยเจ้าเนี่ย <c oughs> ได้บรรลุเลย เห็นไหมด้วยพระหมหากรุณาที่คุณไหมเนี่ยสังสมวิชชามาแต่เจรณะบกพ่องขอทานก็ทั้งชีวิตอันนี้แปลว่าวิชชาสั่งสมมาดีมากไหมมาดีมากไม่มีโอกาสเรียนในชาตินี้แต่มาฟังแต่ระดับพระเจ้าสอนอย่างว่าแต่ตอนนี้พระเจ้าไม่อยู่แล้วนันเนี่ยความสามารถไม่ถึงความสามารถพูดกล่าวได้แค่นี้เต็มที่แล้วเนี่ย <c oughs> แค่นี้ฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวเราก็เป็นอย่างหลวสุภาพุธาโกติฟั <c oughs> งกังเดียวทะลุเลยอย่าคิด <c oughs> เลิกคิดเลยในความคิดเนี้ <c oughs> ทีนี้เอาต่อก <c oughs> ็คือว่าความที่มีจรณะธรรมน้อยโอกาสที่จะได้พบเจอพระเจ้านั้นนะยาก เพราะอะไรอ่ะเพราะเมื่อศาสนาของพระเจ้าพระ อ, องค์นี้กับศาสนาพระเจ้าองค์ต่อไปเนี่ยห่างกันเพียงหนึ่งอันตรกรับเท่านั้นทำไมถึงจะไม่พบเจอหนึ่งอันตรกรับเข้าใจไหมคือนี้ตอนนิ้มขาลงลงปื้ดลงไปร้อยปีรอดปีร้อ ย, ล, อยลง อ, อายุไขตอนนี้เจ็ดสบห้านะรอยปีร้อปีรอยปีรอยปีรอปีอ ป, อปีจะไปถึงต่าสุด แล้วก็ต่อมาคนเริ่มประพฤติธรรมกันก็พุทธศาสนาอีกสองพันกว่าปีหมดเลยนะหมดแล้ ว, นะลวพอหมดสูงมไม่ทันต่อมามนุษย์จะขาขึ้นร้100นอยปีขึ้นปีร้อยปีขึ้นปีขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นสูงสุดเลยเป็นอาสงไข่ค่อยๆลงมาอีกร้อยปีร้อยปีร้อยปีรอ ป, ปีถึงแปดหมื่นปีตอนนั้นพนระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะมาตรัสองค์สุดท้ายแล้วไอห่างกันเพียงแค่เนี้ยีย ถ้าจรณะทำแย่เนี่ยมันเสียหายตรงไหนศีลไม่ดีสมาธิกลุ่มพวกนี้ไม่ดีพวกนี้นะศีลเอออินทรีย์ทังทานกุศลศีลกุศลไม่แข็งแรงพวกนี้นะกลุ่มสมาธิทั้งหลายกลุ่มเมตตาพรทธมิหารพื้นฐานเบื้องต้น ต, ต, ต, ต่างไม่แข็งแรงนะตายพบไปเกิดเป็นอายศัตว์พอเป็นอายศัตว์มันไปยาวเลยแต่เนี้ยพระเจามาตรัสไม่ทันเจอเนี่ยจรณะเสียหาย กุมเจริญหเสียหายโอกาสจะเจอพระเจ้ายากคืออย่างนี้แต่ถ้าทําแต่เจรณะไม่สั่งสมปัญญาเอาไว้อีกไปเจอก็เหมือนกับเด็ดพิณให้นกฟังอีกเหมือนพระเจ้าโกศนเหมือนกับพระอุปนน์เหมือนกับลาลุทธายีก็ฉับพักคีเข้าไปอุปนน์ ฟังเรื่องนี้เราวางแผนชีวิตได้ยังเริ่มได้ยัง <S <S <S <S ทีนี้ <C oughs> ถ้าได้โอกาสเกิดในการมาภูิตลอดเวียนว่ายตายเกิดมากกว่าโกดกับในระยะเวลาหนึ่งอันตระกับเนี่ย ถ้าเกิดอยู่ในสุคติภพมนุษย์หรือเทวดาเท่านั้นโอเคอยู่แต่ถ้าในระหว่างนั้นไปตกอบายภูมิเบียงครั้งเดียวจะไม่มีโอกาสเจอพระทเจ้าอีกเลยเนียจะไม่มีโอกาสเลยเจอเลยเนะี่ยพอหลุดองนี้หมดเลยนะแต่เนี้ยเป็นสวนจะญ่กลับแล้วจะไม่มีพระทธเจ้าอีกยาวเลยแต่เนี่ยโอ้โหกระแสชีวิตีพัดเทจะเนยพเนจรกันอย่างเสียหายเลยแต่เนี้ยนีน่ีพูดเรื่องพรสารวัตรนี่มาวางแผนกันพวกเราวางแผนกันให้ดีนะเนี่ย ถ้าไปเห็นพ้าตายเมื่อวานนี้จะนึพลาดเลพลาดแล้วพลาดขนาดหนักไม่ได้เรื่องแล้วสำคัญนะสำคัญกว่างานศพ <c oughs> เรื่องสำคัญกว่างานอื่นทั้งหมดนะเลย ง, งานวางแผนชีวิตให้ถูกเนะี่ยสำคัญที่สุดเลยเ <c oughs> <c oughs> พราะขึ้นชื่อว่าอบายภูมิถ้าได้ไปตกเพียงครั้งเดียวแล้วบางทีมันหมุนอยู่อย่างนั้นมันออกไม่ได้ เป็นอสงไขยพบบางคนตกมาใบยพูมิเนี่ยมันติดต่ออยู่ไงแหละมันมันเป็นอสงไขยแล้วมันออกไม่ได้พลาดไม่ได้นะพลาดครั้งเดียวสวยเนี่ยเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยรักษาตัวเองให้ดียังไงไม่พลาดมันสวยเพราะเนี้ยถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าผู้ที่มีเจริญเจริญคุณในพบนี้น้อยให้ทานน้อย ไม่รักษากายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมไม่สะอาดโอกาสที่ตกไปสู่ไบยพภูมิเวลาใกล้ตายมีกำลังมากบางทีเมื่อไปเกิดในสุคติภูมิแต่เพราะจารรธรรมคือทานกุศลน้อยทุกๆพบที่ไปเกิดก็ขัดสนทรั์ขัดสนทรั์อีกกายก็ไม่เป็นสุขจิตก็ไม่เป็นสุขต้องเลี้ยงชีวิตด้วยความยากลาบากตลอดเล ย, ยเียนี้ อันนี้ก็จัดว่าเป็นอบายอย่างหนึ่งในอาจาัจกถายดีกาท่านจัดในความที่ตนเองขัดสนทรัพย์ลำบากวจรณธรรมน้อยนี่แหละทานกุศลกายกรรมวิจีกรรมอาชีพไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายอะไรนี้พอไปเกิดมันเลยกลายเป็นคนสะขัดสนเกิดในตระกูลต่ำหาเช้ากินค้ามนี่ก็เป็นอบายอย่างหนึ่งท่นานฟัง เป็นอบายภูมิอย่างหนึ่งทั้งๆที่เป็นมนุษย์กับเขานี่แหละนั้นโอกาสที่จะไปเพาะเมล็ดพันธุ์ของปัญญาของวิชานี่แทบมองไม่เห็นเลยเดียนีมองไม่เห็นเลยเพราะจารณธรรมคือนิจสีนุโบสีน้อยเนี่ยในที่ที่ไปเกิดก็จะประสบพบเจอแต่คนไม่ดีสิ่งแวดล้อมก็ไม่ดีเราไปเกิดในแวดวงของไอ้เช่นสลัมเงี้ยนะ แล้วคนที่อยู่ด้วยมันไม่มีศีลมีธรรมอะไรกันหรอกว่างั้นเถอะแล้วเราจะแข็งแรงแค่ไหนเงี้ยมันก็เป๋ไปกับเขาหมดแล้วก็ต้องไปหาช้ากินข่ํากับเขาต้องใช้แรงงานตรากตํากับเขาเรียนรู้ก็น้อยหากินก็ลําบากมันไปอยู่ในแวดลงแวดสิ่งแวดล้อมที่ห่วยมากอะว่างั้นเถอะมีแต่คนหยาบมีแต่คนบาปมีแต่คนทําบาปไม่รู้ว่าบาปบุญไม่รู้บุญทั้งนั้นเนี่ยแล้วเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบเนี้ย ตื่นขึ้นมาก็มีมีแต่บาปรกรรมพูดจาก็ะยาบมีแต่ฆ่าสัตว์บงังลักษณ์ซับ้างประพฤตผิดในก ร, รมใช่ไหมเนี่ยจรณะธรรมน้อยมันจะไปเกิดในสิ่งแวดล้อมแบบนี้ทานเนินนิติศีลบุตรศีลทั้งหลายเหล่านี้การไม่แข็งแรงทางด้านพวกนี้ยฟางกันเถอะเราจะเลือกสิ่งแวดล้อมไม่ได้มันจะได้สิ่งแวดล้อมที่แย่ๆท่านจึงจะเป็นอบายอย่างหนึ่งเลยนะีมันเสียหายมากเลยเนะ แล้โอกาสที่จะหลุดออกมาจากที่ตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องกำลังกุศลยังแข็งแรงเลย น, นเนี่ยเนี่ยโทษของจรณะธรรมน้อยเป็นอย่างนั้นผู้มีเจรณธรรมคือทานสีน้อยเนี่ยมีโอกาสได้พบเจอกับพระเจ้าองค์ต่อไปได้น้อยมากเพราะไม่มีโอกาสเกิดติดต่อกันในสุขติภูมิก็จะตกไปสู่อบายบ่อยๆอบายบ่อยๆนี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้เอาต่อไปเรื่องว่า เราควรจะภาคเพียรเจริญวิชาและจรณะไปพร้อมๆกันยังไงไอเ น, นี้ยจริงไหมโอ้ยเกือบตายกันก่อนที่มารู้เรื่องเนี้ยเข้าใจไม่นินฟังเรื่องนี้แล้วตั้งฟังได้ตั้งใจไหม ที่ผู้ที่สมบูรณ์ในวิชาและเจรณะทั้งสองอย่างย่อมสามารถหลุดพ้นในพบต่อๆไปได้ถ้ามีแต่วิชาและเจรณะไม่มีย่อมไม่มีโอกาสได้พบเจอพระเจ้าต่อไปใช่ยหมดังที่ได้บอกถ้ามีเจรณะแต่ไม่มีวิชาเมื่อได้เกิดพบเจอพระเจ้าแล้วย่อมไม่สามารถหลุดพ้นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นในสมัยเนี้ยปธาปรวะบุคคลผู้ปรารถนาจะได้เจอพระเจ้าองค์ต่อไป ควรพยายามสั่งสมเจรณนะคือทานศีลสมาธิสำหรับวิชาก็คือการศึกษาให้รู้จักลักษณะของรูปลักษณะลักษณะเป็นต้นของรูปธรรมของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณของขันหะให้ชัดว่านี่เป็นวิชาที่เราจะต้องรู้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าจะต้องมาสอนเราเรื่องนี้ถ้าเราไม่ไม่มีพื้นฐานพวกนี้ไปเลยเนี่ยพระเจ้องค์จะ จะช่วยเราอย่างไรท่านพูดเรื่องรูปเราก็ไม่รู้เรื่องพูดเรื่องเวทนาพูดเรื่องสัญญาสังขารวิญญาณเราก็ไม่เข้าใจล้วก็แยกแยะไม่เป็นไม่เข้าใจกระบวนการของกระแสชีวิตที่มันเกิดดับสืบต่ออย่างไรอย่างเงี้ยพูดเรื่องศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาก็ยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เนี่ยงนั้นไม่ว่าชายหรือหญิงก็ควรเจริญทั้งสองอย่างควรเจริญทั้งวิชาและจรณนะ เพื่อที่จะสามารถเกิดพบเจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปและได้พบเจอแล้วก็สามารถหลุดพ้นได้ก็จะยังจารณะมีสิบห้าหนึ่งศีลศีลนะสองอินทรสังวรเข้าใจไหมคือการมีสติสมประชัญญาในการปิดบาปทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจสามโพชเนมัตันยุตา หัวเราะเลยพูดถึงบทเฉี้ว่าเตือนติตแปลว่าอะไรรู้จักประมาณในการกินก็คือกินด้วยปัญญาอย่ากินด้วยตัณหานี่กลุ่มเนี่ยกลุ่มเจรณนะสามชาคริยานุโยบประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอย่าเห็นแก่นอนมากน <c oughs> ักข้อนี้ท่านนายต้องจําเลยนะประกอบความปารบความเพียรบ่อยๆ ชาคริยานีแล้วแล้วก็สัพพุริสธรรมมีเจ็ดประการสัพพุริสธรรมเจ็ดประการคือศรัทธาความเชื่อมั่นในพระธรรมไตรอันนี้เป็นจรณะนะสติสติก็คือความมีสติกำกับอยู่กับตัวเป็นต้นความระอายต่อบาปคือหิริ ความเกรงกลัวต่อบาปอตะปากพาหูสะจักสั่งสมข้อมูลสั่งสมปัญญาไว้สั่งสมนะให้มีสุตตะตรงนี้เก็บข้อมูลไว้นี่ยังไม่ได้เป็นปัญญาก่อนนะอย่างพวกเราตอนนี้กําลังพากเก็บเก็บเก็บแต่เก็บเรื่องเอามาวิจัยด้วยแล้วก็อะไรอีกนะวิริยะแล้วก็ปัญญาเบื้องต้นนะปัญญาที่ฝึกอันนี้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มสัพพุริสธรรม นีจรณะแล้วก็อีกอย่างปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานจตุตถฌานกลุ่มสมาธิทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยอันนี้กลุ่มเจรณะนี่เจรณะสิบห้าเนี้ยมีบริบูรณ์สําหรับผู้มีฌานถึงจะบริบูรณ์ถ้ายังไม่ได้ฌานก็ไ ม, ไม่ไม่บริบูรณ์แต่สําหรับสุขวิปัสสกาบุคคลเว้นฌานสี่เหลือเพียงสิบเอ็ดหลือสิบอ็ดข้อไปนี่คําแนะนําสําหรับผู้ที่ได้พบเจอพระเจ้าองค์ต่อไปหรือผู้ที่หวังจะได้หลุดพ้นในชาตินี้นะ ผู้ที่ปรารถนาะที่จะได้พบเจอพระพุทธศาสนาในองค์ต่อไปก็คือต้องทานศีลอุโบโสถศีลสัพริสธรรมให้เป็นหลักไว้ก่อนสำหรับผู้ที่ภาคเพียรเพื่อมรกผลในชาตินี้ต้องเพิ่มอะไรเพิ่มศีลอินทรียังวรโพชเนมัตัญยุตาสั บ, บริสธรรมเจ็ดนี่นะให้บริบูรณ์ ศีลก็ต้องอาชีวธรรมกศีลเนี่ยเป็นนิตตศีลของมนุษย์อาชีวธรรมกศีลก็คือศีลที่มีอาชีวอาชีวะสมาชี ว, ชวเป็นที่แปดทางกายสามวาจาสามเป็นเจ็ดเลยใช่ไหมเออกายสามวาจาวาทางวาจาสี่เป็นเจ็ดแล้วก็การเลี้ยงชีพที่ถูกต้องตรงนี้ให้เป็นนินตตศีลต้องนิตตศีลงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการลักงดเว้นจากการประพฤติในการม ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อแล้วก็เลี้ยงชีพเป็นสัมมาชีวะทำตรงนี้เป็นนิจศีลนี่ได้แล้วไ ด, ไ ด, ไ ด, ได้ได้กลุ่มศีลอินทร์สังวรต้องปิดบาปทางทาวารตาหูจมูกเล่นกายใจด้วยสติสัมปชัญญะโภชเนมัตัญญุตากินอาหารให้กินด้วยปัญญานีฝึกแล้วก็ชาคริยานโยคคือการไม่นอนกลางวัน อันนี้หมายถึงกลุ่มที่ต้องการบรรลุใช่ไหมไม่นอนกลางวันแบ่งกลางคืนเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งนอนส่วนที่เหลือเจริญภาวนาะบร <c oughs> บรลุสรรพทธธรรมก็คือศรัทธาสติิโอตปะพระโหสัจจะวิทยะปัญญาเนี่ยถ้าผู้ที่ภาคเพียนเนี่ยเพื่อเป็นพระสวสดาบันในชาติเนี้ยก็เร่ง รตนาจะเป็นพระโสดาบันเ น, นี่ยพระอาจาเร่งเต็มที่หวังไหมถ้าเป็นพระโสดาบันได้ก็ปิดเลยใช่ไหมปิดอบายภูมิเลยแต่ถ้าภาคเพียนเพื่อต้องการเจอศรราสตรนาพระเจ้าองค์ต่อไปต้องมานเจริญทานกุศลศีลกุศลและบุญสวดศีลให้เต็มที่นะวันพระวันบุญบุญสวดศีลต้องเจริญ เราทำกันอยู่ตลอดไหมตลอดไหมให้เต็มที่นะนี่คือกลุ่มต้องการอยากเจอพระเจ้าองค์ต่อไปนะต้องให้ทําให้สองชอ็อตสองสองจุดไว้หนึ่งบรรลุชาตินี้ได้เอาสองถ้าไม่ได้ก็สองต้องเจอพระเจ้าองค์ต่อไปให้ได้อย่างเงี้ยอย่างงี้ปลอดภัยไม่ควรอยู่เฉยๆนะบอกว่าเราบุญเราไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆว่าาสนาดีเดี๋ยวก็เจอพระเจ้า ข้าบรมเพนสินสมาที่ปัญยายบริบูรณ์เต็มที่ในสมัพระเจ้าที่หลังก็ได้อย่าไปคิดอย่างนี้อย่าไปคิดว่าเออเราจะบาเพ็ญวิสุทธิ์ต่างๆสีรสุสุทธิที่จิตตุสุเป็นต้นให้สมบูรณ์ในทีละอย่างละอย่างอย่าไปคิดงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เร า, เาสีนก่อนเนี่ยเดี๋ยวก็มาฝึกสมาธิเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยฝึกปัญญาอย่าไปคิดอย่างงั้นให้ทําไปพร้อมๆกให้ทําไปพร้อมๆกัน โง่สองทุ่มแล้วมีใครสงสัยอะไรไหยฟังเรื่องนี้พอจะจับประเด็นได้ไ้มเริ่มวางแผนชีวิตได้บ้างยังได้แล้วเนี่ยแล้วได้ไหมยอมรับเยอได้ว่ากลับไปค้าขายต่อเนี่ยพอพูดในเรื่องนี้ <c oughs> หลายๆคนก็คงจะวางหลักของตนเองได้พอสมควรแล้วนะ วิชาจารณะสัมปันโนอะไรสำคัญวิชาจารณาสำคัญไม่ใช่สำคัญที่จริงบางคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะขาดที่ผ่านมาขาดวิชาได้แต่จรณะจะไปเอาสมาธิ่ระรอยู่กันอย่างนั้นแต่วิชาไม่ยอมเรียนไม่ยอมฟัง ไ่อยมวิจัยแยกแยะถึงเสียยุ่งเลยใช่ไไปเจอพุทธเจ้าก็ไม่ได้ประโยชน์การเจอเลยแล้ววิธีการจะสั่งสมวิชาก็ต้องมาสั่งสมให้เป็นลำดำับแยกแยะให้ถูกโอทีส่ส่วนก็ส่วนกันดีหน่อยไหมดีไหมพอไม่ถามปัญหาเมื่อกี้เปิดโอกาสได้ถามไม่มีใครถามนะ เอาทิศส่วนกุนกศลในกษัตริย์ประศัตรทั้งหลายเนาะตั้งใจเนะี่ยเป็นอนุโมทนาเป็นปัตตานิมณเอ้ยเป็นปฏิทานะใหบุญสําเร็จจากการให้ส่วนบุญที่เราได้ฟังธรรมะในสวดในสาธยายายาวรำมจากกับวัฒนสูตรเนาะทิใศในกษัตริยระศัตรทั้งหลายและก ษ, ษัตริระศัตรทั้งหลายที่เขารับผลในครั้งนี้ของเราเนี่ยเขาจะจําเขาจะจำพวกเราไว้ ถ้าเราประมาทเผลอถึงมาเนี่ยเขาจะมาสะ ก, กิดเราไปในอัตภาพในอู้จำได้ไหมฉันคุณเคยอุทิศส่วนกุศลให้ฉันเนี่ยแล้วก็จำได้ตรงไหนผู้ใจใสโอเคสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว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 ความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถินบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วในบัดนี้เพราะบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนกุศลนั้นขอให้ข้าพเจ้าทําให้แจ้งโลกุตระธรมก้าวในทันทีถ้าข้าพเจ้ายังเป็นผู้อภาพอยู่ยังต้องท่องเที่ยวในวัฏสงสารขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ ได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอภัพ18อย่างข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยทิฐิชั่วพึงประกอบด้วยทิฐิที่ดีงามไม่พึงครบมิตรชั่วพึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณคือศรัทธาสติหิริอุตประความเพียรและขันติพึงเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนเขาคนหลงงมงาย ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อมและความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลมในอัดและธรำขอใยานนะของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ขัดข้องในธรรมที่ควรรู้ดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้นความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลขอให้สําเร็จโดยง่ายทุกเมื่อคุณที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้จึงมีแก่ข้าพเจ้าทุกๆพบเมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์เกิดขึ้นแล้วในโลก เมื่อ น, นั้นขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมมันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสเห็นการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรบรพชาอุปสมบทแล้วเป็นคนรักศีลมีศีลส่งไว้ซึ่งพระาศาสนาของพระาศาสดาขอให้เป็นผู้มีการปฏิบัติโดยสะดวกแั่สรู้ได้พรานกระทั่มแจ้งซึ่งอารัตถพจนนั้นเลิ่ประดับได้รำมีวิชาเป็นต้น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 สว่าขาโตภะคะวตาธมโมธามังนะมะสาสูปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังคโคสังขังสาธุสาธุขอให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏกันทุกคนใพ้นจากกิเลสและกองทุกข์โดยเริง ใครได้พบธรรมะของพระุทธเจ้าก็อย่าลืมกันนะมาบอกกัน